จิตตานุภาพแท้จริงสิ่งสูงสุดช่วยให้เกิดจิตวิมุตที่สุดสูงถ้าใช้ผิดก็เสื่อมสุดจะฉุดจูงถึงเป็นยุงจะเป็นกาไปท่าเดียวมันอบรมสะสม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 ซึ่งเป็นกันมากเดี๋ยวนี้มันเริ่มต้นมาจากความท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็เกิดความขี้เกียจขี้คลาอะไรแต่นี้เมื่อพอแล้วก็เกิดความขี้เกียจไม่อยากทําอะไรไม่อยากจะคิดอะไรแต่มันคิดนะเพราะความคิดเนี่ยในทางลบคือความผิดหวังเนี่ยมันก็เกิดความท้อแท้ความคิดเป็นต้นเหตุไม่มีกําลังใจจะทําอะไรเลยเกิดความขี้เกียจเดี๋ยวต่อไปก็จะเกิดความสิ้นเศร้า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 เป็นพลังชีวิตอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่รุนแรงไม่ต้องไปห้ามเขาไม่ต้องไปฆ่าก็ยิ่งไปห้ามยิ่งไปทำร้ายยิ่งไปขัดขืนเนี่ยเขาจะยิ่งมีกําลังมากนะอารมณ์ในจิตใจเราเถ้าจะอุปมาก็เหมือนอย่างกับสมมุติว่ามันมีเชื้อมะเร็งขึ้นมาในร่างกายแต่ว่าร่างกายนเรนขาดภูมิต้านทานแล้วเชื้อมะเร็งจึงก่อตัวขึ้นรุนแรง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 แสลงกับเชื so so ้อมาเร็งอันนี so ้ส่วนร่างกายไหมภูมิต้านทานทางกายนี่ก็สามารถเอาชนะเชื้อมาเร็งได้และที่สำคัญก็คือสร้างภูมิต้านทานทางด้านจิตใจให้มันเข้มแข็งภูมิต้านทานด้านจิตใจนั่นคืออะไรคือความสดใสเบิกบานจะสามารถเอาชนะเชื้อมะเร็งในอารมณ์ในจิตใจเราได้เหมือนกันนะมี2เชื้อเชื้อทางกายกับเชื้อทางจิตเราจะมีชีวิตจิตใจที่ มีภูมิต้านทานแข็งแรงนั้นก็ต้องอาศัยพลังสติเอาชนะเชื้อมะเร็งทางด้านจิตใจแล้วก็ช่วยทางกายนี่ให้มีภูมิต้านทานได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของเราทั้งนั้นค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆคื อ, อสะสมความรู้สึกตัวมีสติไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้เอาชนะได้ทุกอารมณ์อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นการภาวนาก็ได้ภาวนามายะปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือลงมือปฏิบัติเลยอย่าได้เต็กฟังคิดนึกซักถามอยู่นั่นแล้วเมื่อไรจะเข้าสู่จิตสุจัจสติธรรมะจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ใช่การอ่านการฟังหรือการซักถามเพื่อให้ได้คำตอบเราจะบรรลุธรรมได้เพราะเราถามครูบาอาจารย์อย่างนั้นเลยหรือถามบุคคลอื่นอย่างนั้นเลยเราต้องถามจิตถามใจเราแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลย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 รู้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากระวังพลิกมือสิพลิกมือรู้สึกได้คําตอบแล้วพลิกมืองายรู้สึกได้คําตอบเลยกระดิกนิ้วแล้วก็รู้สึกได้คําตอบแล้วหายใจเข้ารู้สึกแล้วก็หายใจออกรู้สึกโอ้ได้คําตอบแล้วคําตอบมีได้จากการปฏิบัติไม่มีคําพูดไม่มีชื่อ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 มันเกิดความรู้สึกทันทีในขณะที่ปรึกมือเห็นไหมอันนี้เรียกว่าสัทิติโกเพระตามเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตอนเองสัมผัสได้เลยอย่ามัวแต่ซักถามหรือคิดหรืออ่านเอาเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันคิดมีสติรู้สึกจบไปในความรู้สึกเป็นคําตอบที่ไม่มีคําพูดเหนือสมมุติหรืปเป็นปรมามตธรรมก็ได้ก็มี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 ท่านก็ไม่ตอบแม้ครั้งที่3ท่านก็ไม่ตอบจนกรทั้งลูกศิษย์เซนก็เหนื่อยนายนั่งครุ่นคิดปล่อยจิตประใจใเผลอไปกับความคิดพระอาจารย์เซนก็เห็นว่าอ๋อลูกศิษย์นี่กำลังเผลอนะก็เลยค่อยคเอื้อมมือไปหยิบไม้เรียวแล้วก็หัวรบไม้ที่หลังของลูกศิษย์เซนลูกศิษย์เซนรูปนั้นสะดุ้งยงขึ้นมาทันทีเลยลูกศิษย์เซนก็หันมาก็กล่าวพระอาจารย์สครั้ง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 คือความรู้สึกตัวเนี่ยจะเรียกว่าปัจจัตตังธรรมะต้องเป็นปัจจัตตังคืออันวินยูชนเนี่ยจะรู้ได้เฉพาะตอน